จะไม่มีอิทธาศัดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลยานสิประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธิเดชขึ้นก็จะตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกไปเท่านั้นเอง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 และพระนิพพานโดยแท้เหตุไฉนจึงเหยียบย่ำตัวเองให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นหน้าสังเวชยิ่งนักดูก่อนอ น, นุ์นักสุขทุกนั้นให้หมายเอาที่จิตจิตสุขก็เป็นสวรรค์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 ข้ามไปได้ตามสมประสงค์แล้วก็ อ, อุปมานี้ชั้นใดผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ก็ต้องทำตัวให้พ้นจากทุกข์เสก่อนจึงสมควรจะสอนคนอื่นมีอุปมาเหมือนผู้ที่จะข้ามแม่น้ำฉา น, นั้นบุคคลที่เปืืองตัวให้พ้นออกจากกองกิเลสยังไม่ได้และจะไปเปืืองตดสัตว์ในป่าช้ากีทั้งหลายเขาก็จะหัวเราะเยะเย้ยว่า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 ก็ให้ระลึกถึงเราตถาคตแล้วบวชเป็นภิกษุเถิดให้ตั้งใจสมาทานว่าอิมังปปัจชังสมาธิยามิทุติยัมปิตุติยัมปิอิมังปปัจฉังสมาธิยามิแล้วให้สมาทานจตุถัปปราชิกว่าปัทมังปราชิกังสมาธิยามิทุติยัง